บัดนี้จักแสดงธรรมะเพื่อเป็นอุปการะแก่การปฏิบัติกรรมฐานของท่านสาธุชนทั้งหลายสืบต่อไปการบำเพ็ญความดีตามหลักของพระพุทธศาสนาไม่ว่าจะเป็นชั้นใดก็ตามเป็นเรื่องของการทวนกระแสะกิเลสซึ่งไร้บาครอบกรรมจิตใจของบุคคลอยู่ เพราะฉะนั้นในขั้นตอนของการปฏิบัติเป็นนั้นมากบางครั้งผู้ปฏิบัติก็ต้องพ่ายแพ้ต่ออนาจของกิเลสบางครั้งก็เพียงแต่ระของตัวไปได้และบางครั้งก็เอาชนะได้ในช่วงสั้นบ้างช่วงยาวบ้างตลอดถึงเป็นการชัยชนะที่ถาวรซึ่งจะมีได้ก็ในชั้นที่เป็นพระญาบุคคล วันอุปการะธรรมที่จะนำผู้ประพฤติปฏิบัติให้มีความมั่นคงไม่ถูกโยคลอนด้วยอำนาจของกิเลสซึ่งหลายบาได้จึงจะเป็นจะต้องมีและมีมากเป็นพิเศษด้วยแต่นั้นพระผู้มีพระภาคเจ้าจึงทรงแสดงธรรมะไว้กลุ่มหนึ่งเรียกว่าอธิฐานธรรมคือธรรมะที่บุคคลจะต้องตั้งไว ให้มีอยู่ดำรงอยู่ภายในใจของบุคคลทั้งหลายคราวนี้จะพบว่าแม้ในช่วงเทศกาลข้าวพรรษาก็มีบทบัญญัติทางพระวินยัยให้พระมีอธิษฐานใจที่จะอยู่ประจำในอาวาตใดอาวัตหนึ่งโดยไม่ไปค้างคืนที่ไหนเป็นวาแต่เหตุจำเป็นจริงๆที่เรียกว่าสตากรเนยะ เรงการที่ท่านผู้นั้นจะปฏิบัติให้เกิดผลจริงๆตามวัตถุประสงค์ของพระวินัยก็ต้องอาศัยอธิษฐานในธรรมในระดับหนึ่งถ้ามาอย่างนั้นแล้วก็คงจะรักษาไว้ไม่ได้แต่นั้นในแต่ละปีจึงเราพบเราจึงพบว่ามีบางท่านที่รักษาไว้ไม่ได้เดวาขาดปัญษาบ้าง บางทีมีการกระทําที่รุนแรงท่านเรียวกว่าแหกพรรษาบ้างแต่ว่ามีท่านส่วนใหญ่ที่ท่านทาได้ปฏิบัติได้การเข้าอยู่จําพรรษาจึงถือว่าเป็นกิจวกิจที่ควรประพฤติปฏิบัติและนําสืบต่อกันมาจนถึงปัจจุบันแตนั้นพอถึงการปฏิบัติธรรมะในระดับที่สูงขึ้นประนีตขึ้น เช่นการบริหารในด้านจิตใจของตนเองซึ่งมีการไหลบ่าของอารมณ์ที่ผ่านมาทางตาหูจมูกดินกายอารมณ์หลกนั้นน่าปรารถนาบ้างไม่น่าปรารถนาบ้างเป็นตัวกระตุ้นให้เกิดกิเลสบ้างให้เกิดธรรมะบ้างแต่เนื่องจากเป็นอารมณ์โลกอารมณ์ส่วนใหญ่จึงกระตุ้นให้เกิดกิเลสมากกว่าให้เกิดธรรมะ ให้ชีวิตของบุคคลเราก็จเจริญเติบโตครุกครีอยู่กับสิ่งแวดล้อมซึ่งมีลักษณะกระตุ้นกิเลสดังนั้นถ้าหากว่าจิตใจไม่มีหลักเป็นเครื่องยึดเหนี่ยวใจโอกาสที่จะหักเคเบียงเบนออกออกไปนอกรูนอกทางของธรรมะก็จะเกิดขึ้นได้ง่ายอธิฐานธรรมนั้นที่จริงส่วนหนึ่งก็เป็นบารมีธรรมที่เรียกว่าอธิฐานบารมี ซึ่งเป็นบรารมีที่ทำพระพุทธเจ้าพระโพธิสัตว์ให้สัสรู้เป็นพระพุทธเจ้าได้ดังนั้นเมื่อทรงสัสรู้แล้วก็ทรงแสดงกลุ่มของธรรมะเหล่านี้เอาไว้โดยข้อแรกทรงใช้คำบาลีว่าปัญญานัิปัชยะกอยประมาทในปัญญาหมายถึงการเสริมสร้างพัฒนาปัญญาการรักษาปัญญาในการใช้ปัญญา ไปตามสมควรแกร่กรณีดัง น, นั้นดังนั้นจึงทรงแสดงว่าปัญญานั้นจะเกิดขึ้นจากการประกอบกระทําของบุคคลไม่ได้เกิดขึ้นโดยการไม่ประกอบโดยไม่ด ย, ไมดยการไม่กระทําของบุคคลปัญญาจึงเป็นทั้งเหตุทั้งผลในช่วงเหตุที่บุคคลจะต้องสร้างให้บังเกิดขึ้นเราทรงเน้นไปในสองฝ่ายด้วยกันฝ่ายที่เกิดขึ้นจากเหตุในอดีต ที่เรียกว่าสชาติกบปัญญาคือปัญญาที่ติดตัวมาแต่เกิดมีมากบ้างน้อยบ้างประการที่สองเรียกว่าโยคะปัญญาคือปัญญาที่บุคคลจะต้องสร้างขึ้นต้องใช้ความเปลี่ยนพยายามเพิ่มพูนให้มากขึ้นในการเพิ่มปูนของปัญญานั้นก็ใช้แหล่งใหญ่สามแหล่งด้วยกันแหล่งแรกก็คือการเรียนรู้ทางประสาทสัมผัส สิ่งที่ผ่านมานั้นก็มีทั้งดีทั้งไม่ดีมีประโยชน์แต่ไม่เป็นประโยชน์ดังกล่าวเพราะนเมื่อเรียนรู้มาแล้วจะต้องผ่านการกลั่นกรองการพินิษพิจารณาการตรวจสอบอยากแยกสิ่งเหล่านั้นออกไปชัดเจนที่ทรงใช้คําว่าจินตามายาปัญญาคือปัญญาที่เกิดขึ้นมาจากการคิดพิจารณาแต่ว่าสิ่งที่ได้เรียนรู้มาทางประสาทสัมผัสก็ดีสิ่งที่คิดพินิพิพจารกก็ดีถ้าหยุดอยู่เพียงชนชั้นนี้ ในความแท้จริงของสิ่งเหล่านั้นก็ไม่สามารถที่จะรู้ได้ว่าจริงหรือไม่จริงจึงส่งสอนในชั้นของภาวน า, า, วนามยปัญญาคือปัญญาในชั้นใช้งานได้แก่ลงมือประพฤติปฏิบัติตามที่ได้เลือกเฟ้นตามที่ได้ศึกษาตามที่ได้แยกแยะเอาไว้แต่ในการลงมือประพฤติปฏิบัติเต้า ก็สทรงสอนว่าให้มีอุบายยาวิธีในการที่จะประพฤติปฏิบัติให้เหมาะสมสอดคล้องกับกรณีของเรื่องนั้นนั้นด้าเวลากล่าวถึงการปฏิบัติธรรมจะทรงเน้นอยู่เสมอว่าให้ปฏิบัติธรรมสมควรแก่ธรรมให้ปฏิบัติชอบหรือปฏิบัติชอบยิ่งและปฏิบัติตามธรรมะนั้นๆ กันนี้เรงเห็นว่าธรรมะนั้นมีลักษณะเหมือนยาหรือเหมือนโอสถที่สามารถบำบัดโรคแก้โรคของบุคคลได้ยาแก้โรคที่เกิดขึ้นเสียดแทงกายธรรมะแก้โรคคือกิเลส ท, ที่เกิดขึ้นเสียดแทงใจแต่ว่ากิเลสนั่นเองก็มีธรรมะที่เป็นปรปักที่สำรวจมาลีท่าใช้คำว่าปฏิปักขธรรมคือธรรมะที่เป็นปรปัรกกระตน แล้ความว่าถ้าสิ่งนี้มีสิ่งนั้นจะต้องไม่มีเพราะว่าเป็นขวายตรงกันข้ามกันจะ ใ, ในขณะใดที่ใจประกอบด้วยเมตตากรุณาในขณะนั้นกับบุคคล น, นั้นจะไม่มีความรู้สึกโกรธอาฆาตพยาบาทหรือความไม่พอใจแต่ถ้าหากว่ยังมีความโกรธความอาฆาตพยาบาทหรือความไม่พอใจอยู่แสดงว่า เมตตามีกำลังน้อยหรืออาจจะไม่ใช่เมตตาเพราในขณะใดที่เรามีกรุณาอยู่ในขณะนั้นจิตคิดเบียดเบียนก็จะไม่เกิดขึ้นในบุคคล น, นั้นถ้าใจยังมีความคิดเบียดเบียนอยู่ก็หมายความว่าที่เข้าใจว่ามีกรุณานั้นไม่ใช่กรุณาจริงๆซึ่งเป็นการแสดงเห็นว่าธรรมะกับกิเลสนั้นเป็นของแก้กันอยู่ถ้าว่าบุคคลปฏิบัติธรรมสมควรแก่ธรรม คือนำธรรมะไปใช้แก้กิเลสในแต่ละข้อก็สามารถแก้ได้เช่นว่าความรู้สึกเสียสละหรือใครจะสละใครจะบริจาคนั้นเมื่อเกิดขึ้นก็จะทำหน้าที่ขจัดมัจฉริยะความสนิออกไปทำให้บุคคลสามารถบริจาคได้แต่ถ้าความสนิหรือมัจฉริยะยังมีอยู่จะฆาเจตนาก็เกิดขึ้น ไม่ได้หรือว่าเกิดขึ้นได้ก็ต้องเสื่อมไปเพราะมีกำลังน้อยดังนั้นในเชิงปฏิบัติแล้วจะพบว่ามันจะเหมือนกับ น, น้ำใสที่มีปริมาณมากต้องสลายความขุ่นค้นได้แต่ก็ยังไม่สามารถสลายได้ทำนั้นก็ยังใช้ประโยชน์ตามที่ตนต้องการไปทุกเรื่องไม่ได้การปฏิบัติธรรมก็มีลักษณะเช่นเดียวกันจึงสงสอนให้มีอุบายวิธี อุบายวิธีในการใช้ธรรมะให้เหมาะสมสอดคล้องแก่กิเลสลักษณะของอารมณ์สังคมกาลเทศะเป็นต้นแต่นั้นแต่ละขั้นตอนของการปฏิบัติจึงเป็นเรื่องของปัญญาที่ส่งสอนให้บุคคลอย่าประมาทในการใช้ปัญญาทุกเรื่องไปทนี้เป็นเพราะอะไรเพราะว่าสิ่งต่างๆที่เกี่ยวข้องกับชีวิตของบุคคลนั้นมีทั้งดีและไม่ดีดังกล่าวแล้ว ถามว่าปัญญาในการวิเคราะห์ตรวจสอบเกิดบกคล่องหรือเกิดมีปัญหาก็าจะอยู่ในตํานองที่ทรงแสดงไว้ว่าบุคคลผู้มีความดำริผิดเป็นทางดำเนินของใจคือทางเชี่ยวปของใจก็จะไปกำหนดว่าไปเข้าใจสิ่งที่ไม่มีสาระว่าเป็นสาระไปเข้าใจสิ่งที่ไม่เป็น สิ่งที่มีสาระว่าไม่เป็นสาระแต่ในที่สุดตลอดชีวิตของบุคคล น, นั้นจะไม่ประสบสิ่งที่เป็นสาระท่านี้เป็นเพราะอะไรเพราะว่าเขามีความคิดผิดเป็นทางดำเนินของใจคือการเที่ยวไปของใจดังนั้นปัญญาจึงจำเป็นมากและพระพุทธศาสนาเราสามารถสรุปได้ที่ปัญญา ที่เราเรียกว่าพุท ธ, ธะก็แปลว่ารู้รือว่าตื่นแปลว่าเบิกบานตั้งแต่นนอย่างก็คือขึ้นมาจากปัญญาเป็นตัวตัวการสําคัญทีนี้เมื่อมีปัญญาสามารถแยกแยะได้แล้วก็ส่งสอนอีกข้อหนึ่งโดยทรงใช้คําิริยว่าสัจจะมโนรักเกยะให้ตามรักษาสัจจะคือเมื่อบุคคลได้ใช้ปัญญาพิจารณาเลือกเฟ้นกําหนดสิ่งที่ตนจะต้องประพฤติจะต้องกระทําแล้ว ก็ตั้งสัจจะเกื้อธิฐานใจสัจจะในความหมายนี้ถ้าแปลเป็นไทยก็คือแปลว่าเป็นความจริงใจจะประพฤติจะกระทําอะไรก็ต้องทําให้ได้จริงๆเนื่องจากเป็นการว่ายน้ำํำทวนกระแสของกิเลสขึ้นไปบุคคลจะตั้งใจทําอะไรก็ตามจะต้องมีแรงประทะจากกิเลสเสมอไปและในแก่กิเลสประเภทกิเลสสมานบ้าง บางทีออกมาในรูปของขันธมารร่างกายสุขภาพลารณามไม่คกื้อกูลบ้งหรืออาจจะเป็นพวกอภิสังขารมารคือบาปที่มีอยู่ภายในใจของบุคคลไปขัดขวางไว้บังเป็นต้นแต่อย่างนั้นพร้อมที่จะเข้ามาขัดขวางตัดรอนหรืออย่างน้อยก็ลดปริมาณความดีที่บุคคลจะกระทาให้น้อยลงซึ่งก็เป็นปกติของเขา พอเราไปทวนกระแสเขาเขาก็ต้องสู้ก็ต้องกัดคืนแต่ปัญหาสำคัญว่าผู้ทวนกระแสมีกำลังมากพอไหมที่จะรักษาสัจจะที่ตนตั้งไว้ภายในใจไม่ถูกสิ่งภายนอกเข้ามาโยกลนครนซึ่งกรณี้พึงสังเกตว่ามันไม่ได้เกิดขึ้นแกสามัญชนทั่วไปแม้พระพุทธเจ้าเอง ในสมัยที่เป็นพระโพธิสัตย์ยังไม่ได้จัดสรุก็ประทะกับเรื่องเหล่านี้เป็นอันมากตอนเสด็จออกมหาพิเนศรกรมคือออกผนวดก็มีมารมาขัดขวางล่อ ด, ด้วยตำแหน่งพระเจ้าจากักรพรรดิชว่าพระโพธิสัตว์จะได้ภายในเจ็ดวันตากว่ากลับไปแต่ท่านก็ไม่กลับและก่อนที่จะตัดผมก็มีการขอร้อง ออนบอนจะได้ชนะในการแสดงความสาศกเสียใจยกับม้ากันตะกะแต่พระองค์ก็ไม่หวั่นไหวแต่เมื่อพบพ ร, ระเจ้าพิมพิสารล่ลอหรือรา จ, จะสมบัติถึงครึ่งหนึ่งเพราะโดยตำแหน่งกษัตริย์แต่พระองค์ก็ไม่สนไไทยนี้แสดงให้เห็นว่าอธิฐานะนั้นจะมีความมั่นคงจะมีการล่อหรือการย่วยวนหรือการยั่วยุจากภายนอกก็ตาม แต่สิ่งเหล่านั้นที่จริงแกก็เป็นอย่างที่แกเป็นปัญหาสาคัญอยู่ที่ใจคนไม่ได้อยู่ที่สิ่งข้างนอกนั้นถ้าใจคนไม่อ่อนไหวสิ่งข้างนอกมันก็ไม่มีอิทธิพลอำนาจอะไรซึ่งบางครั้งที่ท่านพูดในลักษณะลึกซึ้งที่ท่านบอกว่าใบไม้ไม่ได้ไหวแต่ใจมันไหว ซึ่งแสดงเอนว่าสิ่งภายนอกแกก็เป็นของแกตามธรรมชาติธรรมดาอาจจะกอให้เกิดความโกรธความรักความชังความเมตตากรุณ า, าก็ได้ในวัตถุเดียวกันแต่ว่าใจที่กำหนดวัตถุนั้นแตกต่างกันดัง น, นั้นถ้าบุคคลรักษาสัจจะเอาไว้อธิษฐานใจว่าจะกระทำอะไรก็ตามยกตัวอย่างเช่นว่าพระอธิษฐานข้าพรรษาก็ต้องอยู่ให้ได้จริงๆ ไม่จะทำเพียงรูปแบบพิธีกรรมพอผ่านผ่านไปวันหนึ่งและต่อจากนั้นก็ไปเที่ยวเตะตามสบายแต่ในทางพระพุทธศาสนานั้นพระพุทธเจ้ามีมาตรการที่จะจัดการกับบุคคลเหล่า น, นี้เทื่ว่าการเที่ยวไปค้างคืนในที่ต่างๆโดยเหตุไม่บังควรนั้นก็ปรับประบัดปรประบั ต, รรบตเรื่อยไปไป เ, เกิดความสํานึกรู้สึกกระดากอายและมีความสำรวมระวัง ให่โอกาสต่อไปแต่การอธิษฐานบางอย่างนั้นเป็นการอธิษฐานด้วยใจของบุคคลเองไม่มีสกีปรยานไม่มีคนหรือร่วมรับรู้ถ้าในกรณีนี้จิตใจของบุคคลจะต้องมั่นคงมากขึ้นเพราะทําไมอย่างนั้นแล้วจะหลอกตัวเองได้ท้านี้เป็นเพราะอะไรเพราะตามปกติแล้วในชีวิตของบุคคลนั้นคนที่หลอกเราได้มากที่สุดก็คือเราเอง ไม่ได้มีคนมาจากข้างนอกเขาหลอกลวงอะไรแล้วหลอกตัวเองได้ทุกๆวันวันละหลายครั้งแต่เป็นการหลอกที่ไม่รู้สึกตัวเพราะคนเราเข้าข้างตัวอยู่แล้วก็เห็นเกยตัวอยู่แล้วก็เรียกว่าพูดเองก็เออเองเ่นจะตั้งใจว่าจะทำสิ่งนั้นสิ่งนี้ในเวลานั้นเวลานี้ถึงคราวจะทำบอกไม่เป็นไรค่อยทำัาหลังก็ได้ ใ, ใจก็เออว่าตกลง ให้ต้องกระทําแล้วก็เรียบร้อยในสุดงานเหล่านั้นก็ไม่กระทำํำด้านธรรมเหล่านี้จึงจําเป็นจะต้องอาศัยความมั่นคงทางใจเพราะอะไรเพราะว่าพระพุทธเจ้าของเราเองนั้นก็ไม่มีสักขีพยานในการอธิษฐานพระไถยแต่พระองค์อธิษฐานพระไถยของพระองค์เองตั้งใจว่าจะทําสิ่งนั้นแล้วทําให้ได้จริงๆอุปสรรควากน้ําอันตราย ที่มาขัดขวางไม่ให้ทําสิ่งนั้นหรือไม่ให้ไปสู่เป้าหมายที่ส่งต้องการก็จะต่อสู้กับอุปสรรคอันตรายเหล่านั้นและบางครั้งแม้จะมาในรูปของความยั่วยุนอุปสรรคที่มาขัดขวางถ้ามาในรูปของความยั่วยุนนั้นเราจะรู้สึกว่าได้ใจของบุคคลอาจจะคล้อยไหวตามได้ง่ายแต่ถ้ามาในลักษณะยั่วยุคือให้โกรธ โกรธนั้นเราจะเห็นว่าเรารู้สึกสูญเสียตามปกติใจคนจะไหวไปทางได้มากกว่าทางเสียแต่นั้นเวลาเขาทาลายตะบะพรหมจันทร์เรื่องใหญ่ๆให้ลองสังเกตว่าเขาไม่ใช้สายโทสะแต่เขาจะใช้สายโลภะใช้กิเลสสายโลภะส่งคนมา ย, ยุ่ยยวนด้วยวิธีการต่างๆไปเครือบเคลื่อหลงไหลไปตามอํานาจต้งสิ่งที่ยุ่ยยวนและใจคนนั้น มีความอยากได้เป็นพื้นด้วยอำนาจของตันหาอยู่แล้วมานําสิ่งมายั่วยวนมาล่อให้เกิดอยากได้มันก็ได้แรงบวกสองฝ่ายคือบวกจากข้างในจากทั้งทั้งภายในและภายนอกใจมันก็ไหวตามไปได้จากตัวอย่างของพระโพธิสัตว์ที่กล่าวมาแล้วเพิ่งสังเกตว่าเป็นเรื่องยั่วยวนทั้งหมดยัด่วยวนด้วยตําแหน่งพระเจ้าจากักรพรรดิยั่วยวนด้วยตําแหน่งพระเจ้าแผ่นดิน โยโยวนด้วยอำนาจวาสนาต่างๆซึ่งเป็นโลกธรรมแต่พระโพธิสัตว์ท่านไม่ไหวการที่พระโพธิสัตว์ไม่อ่อนไหวไม่ได้หมายความว่าคนอื่นไม่อ่อนไหวคนส่วนใหญ่นั้นจะอ่อนไหวคนส่วนน้อยเท่านั้นที่ไม่อ่อนไหวไปตามนาจของสิ่งที่มาชุวจนดังนั้นเมื่อปรารถนาที่จะเดินตามรอยบาทของพระพุทธเจ้าจริงๆ ราต้องมีสัจจะในลักษณะเป็นสัจจาทิฏฐานเมื่อตั้งใจตัดสินใจหลังจากได้ผ่านการใช้ปัญญาพินิจปิจารณามาโดยถูกต้องแล้วว่าจะกระทำอย่างไรจะประพฤติอย่างไรก็ต้องประพฤติกระทำให้ได้จริงๆเลยจะเหนื่อยยากลาบากอย่างไรก็ตามจะไม่ท้อถอยจะไม่หวัดวันจะไม่ขามเกรงต่ออุปสรรคอันตรายหรือความเน่อยยากลาบากตอนนั้น และการต่อไปทรงใช้คำว่าจากมนุบรูเคยจะให้เพิ่มพูนจากะคือความเสียสละขึ้นภายในจิตวยความเสียสละในที่นี้ไม่ได้นเน้นไปที่เรื่องสละวัตถุสิ่งของแต่เน้นไปที่การใช้ปัญญาวิเคราะห์ลักษณะทางอารมณ์ที่มันเกิดขึ้นและดูอารมณ์เหล่านั้นให้ชัด ว่าเป็น่าสึกต่อใจไหมหรือเกื้อกูลต่อใจถ้าเป็น่าสึกต่อใจต้องสละให้ได้แต่ทำไมต้องใช้ปัญญาแต่ใช้สัจจะใช้จากะก็เพราะว่ากิเลสมานที่เกิดขึ้นภายในใจนั้นแกจะไม่เกิดขึ้นในรูปของศัตรูแต่จะเกิดขึ้นในรูปมิตร แสดงความเมตตาความเอ็นดูความเอื้ออาทรต่อบุคคลมุ่งรีประรถนาดีสาปร้ายด้วยน้ําน้าพึ่งคล้ายๆล้ยาพิษที่เจือน้ําพึ่งแต่ข้างนอกมันเป็นน้ําพึ่งซึ่งมีรสหวานแต่ถ้าเราเพลินต่อรสหวานของน้ําพึ่งเดล่านั้นถึงจุดหนึ่งก็จะเจอยาพิษแล้วก็ตายพวกมารที่ปรากฏภายในจิตก็จะเป็นเช่นเดียวกัน จะแสดงอาการทะนุถนอมผอมใจเราเช่นเราอาธิษฐานจะนั่งกรรมฐานสักยี่สิบนาทีนั่งไปได้สักห้านาทีมานก็จะมากระสิบใจพอจะนั่งไปทํำไรปวดทั้งปดตั้งแข็งเปร่าเหนื่อยยากเปล่านี่เวลาก็ดึกแล้วเมื่อวานก็ทํางานเมื่อเช้านี่ก็ทํางานมาหนักควรจะได้พักผ่อนหลับนอนพรุ่งนี้จะได้ทํางานต่อไปสุขภาพประลาณาไม่ก็จะเข้มแข็ง แต่ถ้าเราต่อสู้แกได้แกก็จะมาในรูปใหม่จะมาในรูปว่าจะนั่งกรรมฐานก็ไม่เป็นไรแต่เราก็นั่งสามารถที่จะนอนกรรมฐานก็ได้ก็นอนกรรมฐานเถอะหลังก็จะไม่ปวดเมื่อยกรรมฐานเราก็ได้ทำแต่ถ้าเราอ่อนไหวเราก็นอนถ้าไม่อ่อนไหวเราก็นั่งต่อแต่ถ้านอนก็อาจจะทำไปได้สักช่วงหนึ่งแล้วก็หลับไปเลยไอ้เวลาที่ฐานไวก็ทาไม่ได้ เพราะว่าหลับไปเสียก่อนนี่เป็นการแสดงเห็นว่ามานั้นจะมาในรูปของมิตรตังนั้นท่านจึงสอนให้สละสิ่งที่เป็นค่าศึกต่อเจดจำนงในการจะกระทำความดีของตนซึ่งหมายความว่าไม่ใช่สละหมดแต่วิเคราะห์เฉพาะสิ่งที่เป็นค่าศึกตรวจสอบในส่วนที่เป็นค่าศึกเป็นอันตรายเป็นอุปสรรค วางต่อเจตจำนงในการกระทําความดีของตนคือมีข้อแม้เฉพาะต่อเจตจำนงในการทําความดีไม่ใช่ว่าไปสละแม้แต่สิ่งที่ขัดขวางต่อการกระทําความชั่วเพราะสิ่งที่เป็นอุปสรรคขัดขวางการกระทําความชั่วนั้นเป็นกุศลธรรมห้ามปราบสกัดกั้นบุคคลเอาไว้จากความชั่วอาจจะเป็นสติสมชัญญะอาจจะเป็นทิริโอตตะอาจจะเป็นปัญญาวิเคราะห์ตรวจสอบเป็นตน้น ดังนั้นท่านจึงเน้นในความหมายของถ้อยคําเพื่อไม่ให้เกิดความสับสนวจารคะคือการสละสิ่งที่เป็นค่าศึกต่อเจตจำนงในการกระทำความดีของบุคคลของของบุคคลที่การสละนั้นไม่ใช่กไปได้ง่ายเพราะอะไรเพราะกิเลสนั้นกกอยู่กับจิตมานานจิตจึงอุปมาเหมือนปลาที่จู ที่เกิดเจริญเติบโตเพลิดเพลินเยื่อใยอะไรอยู่ในน้ำดังนั้นจิตแล้วก็มีลักษณะอย่างนั้นแต่ก็มีความกำหนัดเพลิดเพลิเพนเยื่อใยอะไรอยู่ในกามาคุณเหมือนกับปลาที่เพลิดเพลิอนอะไรอยู่ในน้ำแม้จะตั้งใจเสียสละแต่แกจะย้อนกลับมาย้อนกลับมาในคราวนี้ไม่ได้กลับมาในรูปมิตรธรรมดา จะเรียกร้องความเมตตาความสงสารด้วยดังนั้นจึงมีค่าศึกสองรูปแต่ปรากฏในรูปมิตรทั้งหมดรูปหนึ่งเป็นรูปของความมุ่งดีปรารถนาดีต่อเรารูปที่สองก็ขอให้เกิดความการุณาสงสารต่อบุคคลบุคคลอื่นที่นอกไปจากเราจิตใจก็อาจจะหวั่นไหวได้ง่ายเพราะจริงๆแล้วแกมาในรูปมิตร ึลักษณะเหล่านี้เป็นสังเกตว่าคล้ายๆกับบางครั้งเนี่ยเขาก็มามุ่งผลประโยชน์จากเราคือมุ่งที่จะให้เราเอาเหยื่อมาล่อเราเพื่อต้องการผลประโยชน์อย่างใดอย่างหนึ่งจากเราแต่เมื่อก่อนเขาก็ให้ก่อนแต่บางทีก็ไม่ให้ที่เราไปให้ที่ลูกเราไปให้ที่พ่อแม่เราแต่เอาพ่อแม่เอาลูกนั้นเป็นสื่อเพื่อเข้ามาหาเราแล้วก็หาประโยชน์จากเราต่อไป นั้นที่จริงแล้วก็คือความเคลื่อนไหวของกิเลส ท, ที่เป็นรูปธรรมแล้วในความเคลื่อนไหวขึ้นแสดงปฏิกิริยาต่อจิตของบุคคลที่มุ่งผลประโยชน์จากคนที่ตนต้องการทำลายหรือค น, คนที่ตนต้องการขัดขวางนั่นเองนั้นจึงทรงสอนว่าสันติเมวัสุสิเกเคยพึงศึกษาทางสงบให้ได้ แม้แกจะปรากฏในรูปรักษณ์อย่างไรก็ตามให้พยายามหาทางสงบความคิดเหล่านั้นได้ถ้าเห็นว่าไม่ไหวแก่จะมาในรูปแบบต่างๆมากเกินไปเราไม่พอที่จะวินิจฉัยแจกจะให้เห็นชัดเจนว่าเป็นข้าศึกหรือเป็นมิตรกันแน่เพราะแกก็มาในรูปมิตรมิตรก็มาในรูปมิตรถ้าก็สอนให้จิตกำหนดลึกอยู่ในอารมณ์ของกรรมฐาน หรือกำหนดระลึกอยู่ที่นิพพานเป็นอารมณ์ที่ท่านเรียกว่าอุปสมานุสติคือในอนุสติทั้งสิประการนั้นให้จิตเป็นเหนยวนึกถึงคุณลักษณะของนิพพานที่มีความสงบมีความสว่างมีความเยือกเย็นมีความปร่งเบาสบายมีความสุขมีความว่างจากตนและสิ่งที่เกี่ยวเนื่องด้วยตนเพื่อใจของบุคคลมุ่งมั่น ที่จะสัมผัสคุณธรรมเหล่านั้นไม่สนใจไม่บอแหวกกับอารมณ์ที่มากระแทกกระทันอารมณ์ก็กรรมาฐานแต่ละข้อเป็นการทำจิตของบุคคลให้สงบจากอารมณ์ที่เป็นข้าศึกไม่ว่าจะมาในรูปมมตรีรูปที่เป็นศัตรูก็ตามและเมื่อทำได้เช่นนี้ ปริมาณของทำแต่และข้อก็จะเป็นปัจจัยอิงอาศัยการสนับสนุนกันโดยมีปัญญาเป็นหลักในการนำเป็นหลักในการอธิษฐานใจในการตั้งใจเป็นหลักในการวิเคราะห์ตัดสินอารมณ์ที่บังเกิดขึ้นว่าถ้าเป็นข้าสึกก็ขจัดไปถ้าไม่เป็นข้าสึกก็รักษาไว้และเป็นหลักในการจะหาอุบายวิธีที่จะทําใจของตนให้สงบ จากอารมณ์เครื่องสมองใจด้วยวิธีใดวิธีหนึ่งซึ่งพระพุทธเจ้าทรงแสดงไว้เป็นอันมากถึง4ี่ิิธีดังที่ทราบกันธรรมะทั้งสีประการนี้เป็นอุปการธรรมอย่างสำคัญในการบำเพ็ญความดีของบุคคลทั้งหลายผู้มุง่งความเจริญก้าวหน้าความสุขความสงบในชีวิตของตนต่อแานี้ไปขอให้ตั้งใจทำความสงบสืบต่อไป